เสียงอ่านพุทธวจะนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สี่พระวินัยปิฎกเล่มที่สี่มหาวัคคภาคหนึ่งหน้าที่สี่สิบครับสามร้อยสี่ข้อที่สี่สิบสองเรื่องปาฏิหาริย์ที่สี่คร้งนั้นเท้าสหมบดีพรม เมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วเปล่งรัศมีงามอย่างไพรส่วนทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งดุดกองไฟใหญ่งามและประนี ก, กว่ารัศมีแต่ก่อนครั้นร่วงราตรีนั้นทัดินรุเวลากระสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นถึงแล้วได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะ พัตตาหานเสร็จแล้วผู้นั้นคือใครกันนาเมื่อราตรีประทมยามผ่านไปแล้วเปล่งรัศมีงามอย่างไพรสนทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้ามาหาท่านครั้นถึงแล้วก็อภิวาทท่านได้ยืนอยู่ณที่สุขควรส่วนข้างหนึ่งดุดกองไฟใหญ่งามและประณีต ก, กว่ารัศมีแต่ก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรกสปะ ผู้นั้นคือเท้าสหัมบดีพรหมเข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมะครั้งนั้นฉะดินอุรุเวละกัสสะได้ดำริว่าเออมาหาสมณะมีฤทธิม์ามากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเทา้าสะหมบดีพรหมเข้ามาฟ้าหาเพื่อฟังธรรมะแต่ก็ไม่เป็นพระอระหรันต์เหราแน่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสวยพัะตาหารของฉะดินอุรุเวละกะัสสะ แล้วประทับอยู่ไพรสนตำบนนั้นแหลปฏิหารที่สี่จบ